ฟังที่ครบคะเราก็ยังอยู่ในช่วงของเวลาสัสนิษฐนานะนะคะเพิ่งผ่านไปไม่กี่นาทีเองกับการที่ฟังพระสูตจากพระมารชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบที่มีพระอาจารย์ครึกติปโสติพโลเป็นท่านเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ท่านได้เมตตาแจกหนังสือให้กับพวกเราเป็นประจําในรายการเวลาสามท่านหนังสือชุดพุ้โทษชนะซึ่งยังไม่มีขายที่ไหนเลยนะคะถ้าเป็นพุทโทษชนะร้วนแบบนี้ เบอร์โทรศัพท์บอกตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าให้ท่านโทรมาข อ, อกันก็คือ022690006ค่ะและเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะให้ท่านเนี่ยเข้าถึงผู้ทัวจนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ดังนั้นช่วงเวลาที่สองที่จะมาถึงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้สังสมสุตตะในลักษณะของการสนทนาธรรมแล้วรพระชนเพรบุญก็จะได้ตอบคาถามเราด้วยการนําูุทวจนะมาตอบนะคะ จึงเรียกช่วงนี้ว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธเจนะน้ัสการค่ะท่านคะใช่พานค่ะช่วงนี้ท่านอยู่กรุงเทพใช่ค่ะท่านฟังที่ครบรัค่ะสําหรับคําถามจริงๆแล้วเมวื่อวานทีฉันมัวไปลงรายละเอียดเรื่องขันห้าจนกระทั่งทําให้คําถามของคุณศรีพงศ์เนี่ยตอบไม่หมดมาถามต่อวันนี้เลยดีไหมคะได้ได้คุณศรีพงศ์ได้ถามท่านพิบูรณ์ต่อเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัตินะคะที่มีพระพุทธเจ้าตรัส ภาหยะว่าเมื่อตาเห็นรูปให้สักว่าเห็นอืมเมื่อหูได้ยินเสียงให้สักว่าได้ยินแปล ว, ว่าท่านทรงให้พระพัหยะสํารวมอินทรีย์ทางอายตนะทั้งหกคือมีสติสัมปชัญญะในทุกอิทธิบาตรใช่หรือไม่คะโอ้โหอันนี้มันหลายอันรวมกันแล้วกันเดี๋ยวเอาทีละอัน เ, อเพราะว่าการที่สํารวมอินทรีย์ก็อย่างหนึ่งนะค่ะแล้วสติสัมปชัญญะก็อย่างหนึ่งนะแล้วที่สักว่าเห็นสักว่าเห็นก็คนละอย่างกันนะ ท่านนี้ว่าเอาหลายอย่างมารวมกันก็ก็พูดถูกอยู่แต่ว่าถ้าเราท่านท <จะ S 2> <ก>ี่ฉันขอย้อนถามนิดนึงอะคะอะอ่ะที่คุณศรีพงษ์ถามเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสกับพาหิยะในพาหิยะเป็นใครอ๋อพาหิยะนี่เป็นภิกษุรูปหนึ่งนะที่มีมีเาเรียกว่าชาติกำเนิดเป็นพราหมณ์แล้วอายุมากแล้ว นะพอได้ยินว่ามีสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นบนโลกเนี่ยก็เลยเดินทางมาไกลามากเลยพระพะยะเดินทางมาจากทางตอนกลางๆหรือตอนตอนใต้ของอินเดียแล้วสมัยนี้ก็คงเป็นเมืองมุมไบมั้งไม่แน่ใจนะประมาณนั้นแหละจากโซนๆนั้นแ ล, แล้วก็เดินทางมาเนี่ยแล้วก็อายุมากแล้วคุณยมติ๋วเขาก็เดินทางมาหาพระเจ้าเนี่ยก็ด้วยความที่แบบใจร้อนอยากฟังธรรมมากเลยนะ ก็เลยไปถามพุทธเจ้าว่านี่ขอฟังทยได้ไหมที่พระข่าพระองจะได้บรรลุเป็นหมดความทุกข์เสีทีอย่างเงี้ยพุทธเจ้าบอกโอ้ยเดี๋ยวเดียวบินตบาทอยู่ให้บินตบบาทเสร็จก่อนท่านพระพายาบอกไม่ได้ไม่ได้ขอฟังตอนนี้แหละเดี๋ยวตายไปไม่รู้จะเป็นไงตอนนี้เยอะมากแล้วแต่พุทธเจ้าก็เลยให้คาถานี้เลยตู้มเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินแค่นี้เองนะจบ6อย่างปุ๊บพระพายาบรรลุเป็นบาลานเดียวนั้นเลย แค่สองประโยคนี่เหรอคะใช่คือหกตอนเนี่ยนะค่ ะ, ะใช่หเห็นเสร็จไม่เห็นจนกระทั่งถึงว่ารู้รแจ้งแต่ว่ารู้แจ้งเนี่ยก็บรุ้วเป็นพาาาระอรหันเลยเนื่องจากทั่งท่านาพายภัยะเนี่ยเป็นภิกษุที่เลิศทางด้านการบรรลุเร็วนะบรรลุเร็วกว่าเพื่อนเลยท่านอายุมากแล้วพระพุทธองค์จึงทรงเลือกธรรมะสั้นๆเข้าใจง่ายอย่างนั้นเลยไหะเลยบรรลุง่าย คือต้องทราบประวัติของท่านพระปายะนิดหนึ่งว่าจริงๆ<ฆ>ท่านพระปายะเนี่ยเป็นพระที่มีสมาบัติสูงมากนะ <c oughs> มีสมาบัติสูงมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นสมาธิของท่านเนี่ยได้ถึงชันถึงขั้น8เลยอ๋อค่ะเป็นมีรูปสัญญาสมาบัติขั้น8เลยขั้นสูงสุดที่สมัยนั้นก็จะมีกันได้เนี่ยแล้วก็เลยสามารถทําตรงนี้ไดนะ้นี่คือในความเห็นอาตมานะเนี่ยตนุติ<ฆ>ว่าท่านมีสมาธิสูงมากแล้วแต่ท่านเห็นฟังง่า ย, ายๆแค่ท่านจึงผางขึ้นมาเลย ค่ะก็เท่ากับว่ารายการเราเนี่ยจะพยายามเน้นบอกว่าเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสมาตอบแต่ท่านพิบูล์ก็กาลังทำให้ชัดเจนชัดแจ้งว่าในส่วนนี้เป็นความคิดเห็นของท่านเองจากการที่ได้ศึกษาประวัติพระภายยะมาว่าไม่ใช่ว่า ปุบ ป, ปับมาฟังทมแต่ท่านให้ปฏิบัติธรรมมาก่อน<ช>แล้วก็เจริญในธรรมขั้นสูงซะด้วยสมาธิที่ลึกซึ้งมากล่ะขั้นแปนะคะท่านสมาธิก็จะใช้คำว่าเนวสัญญาาสัญญายัตนะอาทั้งหมดมีกี่ขั้นนะคะถ้าจะให้สูงสุดปรีดเลยคะ <9 S 2> ่ะเกเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคุณโยมถึง <laughs> <laughs> แต่ว่าท่านพยะนี่เรียก ว, ว่า เกือบถึงที่สุดแล้วใช่คือขั้นที่เก้าเนี่ยสําหรับพระอนาคามีกับพระอาหารหันต์ที่ชํานาญเรื่องสมาบัตินะถึงจะได้แต่ถ้าคนทั่วไปปุถุชนธรรมดาได้มากสุดแปดฟังตอนแรกๆดิฉันเองเนี่ยเข้าใจว่าเพระพายยะนี่แจ็คพอตมากคือปุ๊บปั๊บมาฟังธรรมข้อสักว่านั่นสักว่านี่สักว่าเห็นสักว่าได้ยินอะไรเงี้ยแล้วก็บรรลุและดิฉันเชื่อว่ามีหลายคนเข้าใจอย่างนี้นะคะ เพราะว่ามีหลายคนพยายามบอกว่าเอานี้เลือกข้อสักว่าเนี่ก็แล้วกันดูท่ามันง่ายหากไหมคะท่านไม่ใช่คนที่ปฏิบัติได้ชาญขั้นสูงเกือบสุดอย่างพระภะยะยะแล้วมาสักว่าสักว่าสักว่าอย่างเงี้ยมีโอกาสบรรลุธรรมอันนี้ความเห็นอัตมาไงอันนี้ความเห็นอัตมานะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ที่บอกว่าสักว่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ลงรายละเอียดไว้เหมือนกันนะว่าเห็นแล้วเนี่ยเราไม่ตามไปเพลิดเพลินนะไม่ อ่าไม่คิดต่อไปแล้วเราก็ให้จิตของเราอยู่กับที่อย่างเงี้ยประมาณเนี้นะนี่ก็ชื่อว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ได้ไว้ได้ยินทาทุเลยค่ะดิฉันกำลังจะกราบเรียนว่าท่านช่วยเมตตาอธิบายหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวท่านวังทางบ้านหรือแม่แต่๋นเองก็ไม่เข้าใจอะสักว่าในหมายความว่ายางไงก็คืออย่างที่ว่านี่แหละว่าเห็นอะไรปุ๊บนะจิตเราไม่เกลือกรั่วนในสิ่งนั้นไม่ไหลไปตามไม่มีสังขารปรุงแต่งให้มันหยุดอยู่เท่านั้นเองจบ เพราะฉะั้จรนะิงๆถ้าแต่ว่าป<ะ>ไปเนี่ยเราก็พอที่จะพยายามทํากันได้เหมือนกันนะเนี่ยทำได้ไหมหละ่ะคือมันได้มันอาจจะไม่ง่ายนะคะแต่ท่านฟังลองทดลองเดี๋ยวถ้าสมมติฟังรายการจบก็ได้หรือขณะที่ฟังรายการอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคร<อ>ับฟังๆท่าในพบูลย์อยู่ใจอาจจะไปคิดถึงอย่างอื่นละได้อันเนี้ยแล้วออกกลับมาเลยอย่างเงี้ยคือคืออันนี้มันทั้งหกอย่างเลยนะคุณโยมติ๋วเนึ่ยออาไหมมันทั้งหกอย่างเลยสมมุติเราระวังตาอย่างเงี้ยแต่บางทีใจเราโดน หรือเราลองหูอย่างเงี้ยแต่บางทีกายเราโดนมันต้องระวังหมดนะอ๋อถ้าเป็นบุนกําลังจะบอกว่ามันไม่ง่ายนะมันต้องครบท่วนอควบคุมได้ทั้งหมดคือคือถ้าเราจะพูดว่าง่ายหรือยากนี่มันแล้วแต่คนนะนะในความเห็นอาตมาก็คิดว่ามันก็พอจะทําได้ถ้าเรามีสมาธิสูงคือยังไงมันต้องมีสมาธิแน่ที่คุณจะเห็นอย่างนี้ได้ท่านทีบุญคะ่ะ อ, อาจจะ เป็นไปได้ไหมคะเหมาะสมไหมถ้าทิฉันจะให้ท่านกรุณาอธิบายว่าทําไมเพียงแค่สักว่าทั้งหลายเนี่ยจึงได้สาได้ทําให้พระพายยะเนี่ยบรรลุธรรมได้เพราะว่า ด, ด้วยเหตุ2ประการประการแรกพระรูญ่าพูดถึงว่าจิตเนี่ยถ้าไม่ไปก้าวลงจิตอื่นนะแล้วคือออกจากจิตนี้แล้วเนี่ยไม่ไปก้าวลงจิตอื่นเนี่ยก็ไม่อยู่ในระหว่างที่ทั้งสองใช่ไหมคือจิตเนี่ยไม่ไปหลุดออกจากอารมณ์เดิมแล้วเนี่ย ไม่ไปอารมณ์ใหม่คือสักแต่ว่าเห็นใช่ไหมไม่ก้าวลงอารมณ์ใหม่ละนะก็ชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นภาวะที่เรียกว่าไม่มีไม่มีตัณหานะไม่มีอุปทานนะก็จะปรินิพานตรงนั้นเพราะฉะนั้นแค่ขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะจากอารมณ์นี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยวางละไม่เอาสักแต่ว่าเห็นไม่ก้าวลงในตาอันต่อไปไม่ก้าวลงไปในสิ่งที่ได้ยินอันต่อไปไม่ได้ก้าวลงไปในสัมผัสอันต่อไปแค่นั้นเองเราก็หลุดละ ก็จะหลุดได้ที่ตรงนั้นค่ะคือสมมุติว่าไม่ใช่แค่เห็นอาหารอร่อยสมมุตินะคะอ่าเห็นอะไรเดียเห็นคนสวยอืมแล้วสักแต่ว่าเห็นเลยตัดชึบนางงามมาแล้ตัดชึบไม่สนใจแต่ไปเห็นอย่างอื่นอันนี้ก็มไม่ได้นะคะกไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไปเห็นพระพุทธรูปสมมติ<ค><ๆ>ก็ไม่ได้หรอคะคือเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นไหมนะ เห็นนี่มันมันคือตายังไงมันต้องรับรู้รูปอยู่แล้วใ ช, ใช่ไหมแต่ว่าภาพที่ผ่านเข้ามาทางตาผ่านเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นสมองจิตเข้าไปรับรู้ตรงจิตที่เข้าไปรับรู้เนี่ยแหละแต่คุณหยุดตรงนั้นได้ไหมอ๋ออ่าก็คือเหมือน ก, กล้องถ่ายรูปตากล้องถ่ายรูปเลยไม่มีถ้าไม่มีตาเราเข้าไปรู้ก็จะไม่รู้เลยแปล ว, ว่าสําคัญที่ต้องไม่มีการเข้าไปรู้อ่าไม่มีการเข้าไปยึดถือคือรู้เนี่ยคือสักแต่ว่ารู้นะ แต่ว่าไม่มีการปรุงแต่งต่อเนื่องไม่มีการเข้าไปยึดถือว่าอันนี้เป็นของใครอันนี้เป็นอะไรจบเลยตรงนั้นค่ะแล้วสําหรับคําตอบให้กับคุณสีพงษ์นี่ครอบค ล, มลุมหรือยังคะหรือว่ายังเหลือส่วนใดส่วนเรื่องของการสมบรณมอินทรีย์อันนี้พระพุทธเจ้าจะพูดถึงการที่เห็นแล้วเนี่ยไม่ให้อกุศลเข้ามานะเราอาจจะไม่ให้ระลึกไปในทางรายละเอียดหรือว่าโดยภาพรวมนะว่าสวยหรือไม่สวยอย่างนี้ อย่างเช่นว่าอาจจะมีคนรูปงามคนหนึ่งแต่ถ้าดูโดยรวมแล้วคนนี้แหมรูปงามจริงๆอย่างเงี้ยนี่คือดูโดยรวมแต่ถ้ามาดูรายละเอียดเช่นผิวก็สวยเล็บก็สวยผมก็สวยอันนี้คือโดยอนุพยัญชนะก็ไม่ให้เป็นอย่างนั้นคือสักแต่ว่าเห็นเนี่ยละเอียดยิ่งกว่าสำรวมอินทรีย์ว่าไหมครับท่าอ๋อหรอคะใช่เพราะสมรวมอินทรีย์นี่คุณยังคุณยังมีสัญญาเกิดขึ้นนะว่าอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรนนั้แตส่สักแต่ว่าเห็นนี่ไม่มีสัญญาเกิดขึ้นนะขึ้นปล่อยเลย มมัไ่ีสญญาเกิดดิฉันว่าเพราะบทพยัญชนะที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยคะ่ะเลยทําให้ดูเหมือนกับว่าสํารวมอินซีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าศักว่าเพราะสักว่าเหมือนถ้าเป็นภาษาที่เราพูดไปเนี่ยสักแต่ว่าทำ <c oughs> ใช่ไหมคะมันก็จะมีความ ร, รู้สึกว่าโอ้ยเรื่องนี้ติดจ้อย <c oughs> สักแต่ว่าทำ <c oughs> ผ่าน <c oughs> ๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วท่านฟังคะขัดแย้งเอ่อเรียกว่าก ล, ลับทางกันเลยก็มหมายจะไม่ค่อยเหมือนกันทีเดียว กลายเป็นว่าสักว่านี่ยากกว่าใช่ครับพุทก็ยากกว่าสํมรมอินรีใช่ถ้าถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเราเอาพุทธวชนะสองบทนี้มาเทียบกันนะดูดูแล้วเนี่ยโอ้ยอรตมาคิดว่าสักว่านี้ยากกว่าสํมรมินทรีย์ค่ะงั้นช่วยท่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งไหมคะว่าสํมรมอินทรีย์คืออะไรสํมรมินซีเนี่ยคือเมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วเนี่ยก็ไม่ไหลไปไม่เห็นความสวยงามของเขาในโดยภาพรวม เนะีไม่เห็นความสวยงามเขาในอนุพยัญชนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อกุศลเข้ามาอาจจะเห็นได้แต่เห็นในระดับที่อกุศลไม่เข้ามาออ่าเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติเราดูกระดาษแผ่นหนึ่งโอ้โหนี่ทําจากวัสดุชนิดนี้เออดีมกันเนาะเอาหยุดแค่นี้ถ้าเกินไปกว่านี้แล้วมันจะเริ่มเป็นอกุศลนะเช่นว่าฉันอยากได้มันนะแม้ถ้าฉันเสียไปฉันไม่อยากใช้เลยอันนี้ก็จะเป็นคนละเรื่องไปละท่านคะถ้าอย่างนี้เราเปรียบเทียบกับปฏิจจะได้ไหมคะเช่นสมมุติว่า เห็นว่าสวยนะก็คือมีผัสสะทางตาใช่ไหมคะเห็นว่าสวยเห็นนี่คือผัสสะนะแล้วความสวยเนี่ยเป็นสัญญาแล้วเราเข้าไปชอบความสวยนั้นเป็นเวทนาค่ะก็ก็แล้วนำไปสู่ตัณหาถูกไหมคะแต่ของท่านนี่ต้องตัดตอนว่าตอนไหนคะตอนไม่ให้มีเวทนาหรือไม่ให้มีตัณหาสักแต่ว่านี่ใช่ไหมค่ะไม่เอาสำรวจอินซียะสำรวจอินรีนี่มาหยุดตอนตัณหาอืม คือจะหยุดตอนตัณหานี่ก็ยังจะพูดยากเพราะว่ามันไม่ใช่หยุดตอนตัณหาหรอกมันหยุดเรื่องอกุศลคือจะไม่มีอยู่ในจะพูดยังไงล่ะคือไม่ให้จิตของเรามีอกุศลเกิดขึ้นแต่ว่าในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยการทํางานตรงนี้คือพูดการทํางานของจิตนะว่าจิตอาจจะมีเวทนาแต่ไม่มีอกุศลก็เป็นไปได้จิตอาจจะมีตัณหาแต่ไม่เป็นอกุศลก็เป็นได้<อ>คือจิตของคนที่ยังไม่บรรลุปเป็นอรหันถึงแม้ว่าเป็นอาาคามีคุณก็ยังมีตัณหาอยู่นะ เพราะฉะนั้นถ้าป้องกันไม่ให้สับสนก็อย่าเอาปฏิจจะไปเทียบเคียงกับอันนี้อ่ า, อาก็<ค>ต้องพูดถึงเรื่องสัมมาสังก<น>ประดีกว่าสัมมาสังกปะจะเข้าท่าว่าไม่ให้จิตของเรามีอกุศล้วจิตเกิดขึ้นอกุศลวิตกเกิดขึ้นตรงนี้ ค, ค่ะก็เท่ากับว่าเราสำรวมอินทรีย์แล้วใช่แต่ทีนี้ไอ้สักแต่ว่าเห็นเนี่ยมันอธิบายด้วยปฏิจจะตรงนี้ได้ค่ะว่าพอจิตเราเข้าไปก้าวลงในนามรูปปล่อยเลยจบอสักแต่ว่าเห็นไม่ให้ไปอย่างอื่นเลย นะผัสสะอะไรต่างไม่ต้องพูดถึงคจบเลยตรงนั้นอพราะฉะนั้นมันก็จะจะในความเห็นอัตมานะ <c oughs> ว่าโอ้มันก็จะค่อนข้างที่จ ะ, ะใช้ความสามารถนิดนึงในการทําแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าเราควรจะไม่ทําหรือรจะทำเราทําได้คือเราก็ทําโดยอัตโนโมัติอยู่แล้วนะแค่ว่าเรามารู้ลมหายใจนะแค่นี้เราก็ทําโดยอัตโนโมัติแล้วอืม แล้วก็ถ้าจะพูดถึงคาถามคุณศรีพงษ์ตงส่วนที่เป็นสติสมัมปชัญญะใช่ไหมอันนี้มันก็จะมีละเอียดหยาบกันไปก็ใช้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วสติสมัมปชัญญะนี่มีตั้งแต่ขั้นที่หยาบหยาบทั่วไปจนกระทั่งถึงละเอียดละเอียดขึ้นไปก็ก็มีหมดค่ะอืท <c oughs> ีนี้ <c oughs> เพื่อที่จะให้เพื่อนฟังที่ฟั่งรายการนี้อยู่อาจจะง ง, งงอยู่บ้างเพราะว่ายังใหม่อยู่อื <c oughs> หรือว่าเราพูดหลายเรื่องปนกันมากเกินไปอื <c oughs> อยน้อยควรจะได้อะไรติดไม้ติดมือจากการฟังท่านไปนบูรในวันนี้บ้างอืมจะให้เขาทาอะไรดีคะต่อ ม, <ค>มาก็ต้องเน้นตรงว่าให้มีสติสัมปชัญญะในทุกเรียบร้อยนะเพราะว่าตรงเนี้จะทําเป็นที่แล่นไปมันจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างจิตของเรากับตัววิมุตนะแค่เรามีสติสัมปชัญญะเนี่ย เ, เวลาที่เราไปรับรู้สิ่งใด เ, เราเราเระลึกถึงเอาง่ายๆลมหายใจของเราะเราก็พอคนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยจะทําให้สามารถสํารู้อินทรีย์ได้ พอสัมรวมอินทรีย์ได้นิวรนต่างๆละไปใช่อ่าสิ่งที่เป็นโพชฌงเกิดขึ้นนะตรงนั้นแหละที่จะสามารถสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้ค่ ะ, คะก็พยายามกันต่อไปนะคะเพราะว่าไม่แน่ท่านอาจจะเป็นรายถัดมาจากพระภาัยยาก็ได้นะคะดีมากดีมากค่ะวันนี้ก็น้มัสกการขอบพระคุณท่านไัยบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ท่านฟังที่เคารพครายการสันสนีสมทนะนะคะเราก็อยากจะให้ท่านได้ความรู้ชนิดที่ว่านำเอาไปปฏิบัติหรือว่านำเอาไปใช้โดยใช้ตัวท่านเองทดลองแล้วมันก็จะปรากฏทมเหล่านี้เนี่ยกับตัวท่านเองสมดังที่มีบทสวด น, นะคะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงธรรมะของพระพุทธองค์ว่า มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เรารู้ได้เฉพาะตัวนะคะเองเข้าใจว่าอย่างนั้นใครอธิบายมันก็ไม่ชัดเจนเหมือนกับว่าต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็จะใช่ไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคุยกับพระอาจารย์ไับูรณ์ต่อกันแล้วกันนะคะวันนี้เราก็คงจะต้องฝากกันเอาไว้ว่าคำถามส่งวิที่เพีธรรมะ .com/106 แล้วก็ติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำตั้งแต่ตีห้าวันนี้พุทธวัตรสวัสดีคะ่ะ